เราจึงสะดวกแล้วทุกวนในการศึกษาการปฏิบัติเราก็เอาตามที่มันถูกต้องอย่าให้เสียเวลาพระเจ้าก็สแสดงไว้โดยย่ว่าโดยยอุอปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกมีเท่านี้ว ร, ราหาเวเปัญจคันธา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 นี่เลยพิสูจทั้งหลยยายอิ่งที่เราลู่มากเท่ากับใบไม้ทั้งป่าแต่เรามาสอนพวกเธอทั้งหลายเพียงใบไม้กระเมร์เดียวนี่ทํำยังไงที่จะเป็นใบไม้กระเมร์เดียวเราจะทําตรงไหนเราก็ไม่ต้องคิดเถอะเวงมีสติสติมันคืออะไรคือความลู่โลกโลก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 แต่ว่ามันก็อ้างออกนิดหน่อยมันชุม่มมันไม่แห้งสังเสตชะมันเปียกทันต ช, ชะก็เปียกทิลาูุยะก็เปียกโอปาติกะก็เปียกชุม่มเกิดได้้าสุข ก, ก็เกิดสุขมันชุม่ม้าทุกข์ก็เกิดทุกข์ถ้าโกรธ ก, ก็เกิดโกรธ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 มุ่งคนมีสติเหมือนนอนในมุ่งพ่มีสติมันก็ไม่มีอะไรที่จะหมายเข้าถึงได้มีแต่ภวะที่ดูแล้วภาวะที่ดูมันไม่เปลี่ยนมันสักสภานนั น, ม, น, นมีที่พึ่งอันกระเสมที่พึ่งอันสูงสุดจึงพ้นจากทุกจากเกลเจ็บตายได้ภาวะเนี่ย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 สัพพะลสังธรรมลโสเดชนาติรถพระธรรมยอม่อมฉันรถทั้งปวงจังเราสวดธรรมปางเนยยมันดะรถเอเยมันพระมุจันนี้หน้าดื่มเหมือนมันดะยอดโอชาแห่งโคลดยอดโอชา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 ไปอบร้อนอบร้อนชิบนาทีอบเย็นสองนาทีเมื่อร้อนเงื่อโซมลมาก็ให้ลงไปแช่น้าเย็นมันก็เหมนใดลงไปอันใดชั้นที่หนึ่งก็น้าเพีเขาเย็นปวดแล้ววันใดขั้นที่สองน้ำไปไหนอันใดข้สามไปไปอันใด่มุดลงไป โอ้เราลงไปสำบัดเย็นเท่านี้ก็ไม่ไหวลว